เพื่อมาศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ของจิตใจเพราะความรู้ต่างๆในโลกนั้นไม่สามารถสอนให้เราเข้าถึงความสุขหรือออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ความรู้ต่างๆในโลกนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถทําให้พวกเรารอดพ้นจากความทุกข์ใจไปได้ไม่สามารถทําให้เราได้พบกับความสุขใจที่ถาวรได้ มีเพียงความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้พวกเราได้รอดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะต้องอยู่กับกอบทุกข์ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ตัวเราคือใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปต่อไปด้วยความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะพาให้เรารอดพ้นจากความทุกข์แต่เป็นความรู้ ที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับเข้ามากองทุกข์ใหม่จึงไม่ใช่เป็นความรู้แต่เป็นความหลงความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถมากำจัดความหลงที่ทำให้เราต้องหลงเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนับไม่ถ้วนและไม่มีวันสิ้นสุด ต้องมีความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ความจริงรู้จักเหตรู้จักทางที่จะพาให้พวกเรานั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันหลังจากที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูปแล้วนาคำสอนมาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราแล้วก็ปรากฏมีผู้ที่มีศรัทธา ม, มีความภาคพเพียนมีสติปัญญาที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันมาเป็นจำนวนมากมาย <Yeah. S 1> พวกเราก็เป็น พวกที่อยู่ในพวกที่ได้หลุดพ้นกันมาตอนที่ท่านเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็มีความหลงเหมือนอย่างที่พวกเรามีกันอยู่แต่พอหลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างสนิทใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยความ เข้มแข็งอดทนด้วยความวิริยะอุตสาหภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาจนในที่สุดก็ได้ความรู้อันประเสริฐที่ทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พวกเราก็สามารถที่จะเป็นอย่างท่านเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นเหมือนกัน ต่ตรงที่ว่าตอนนี้เรามีศรัทธาหรื อ, อยงมีวิริยะอุตสาหะคาภาคพูมิหรื อ, อยังมีความเข้มแข็งอดทนมีสติมีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพรุทธเจ้าและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามหรื อ, อยังเนัง ถ้าเรายังเราก็จะยังไม่สามารถน้องนำเราไปปฏิบัติได้ให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถ้ายังไม่เกิดศรัทธาก็ต้องศึกษาไปต่อต้องฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็ลองปฏิบัติไปบ้าง ทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าทําให้ความทุกข์เราน้อยลงไปทําให้ความสุขเราเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าเราฟังเฉยๆไม่นําเอาไปปฏิบัติเลยเราก็จะไม่ได้เห็นผลเราก็จะไม่มีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติ เพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เือนกับการว่ายน้ำทวนกระแสว่ายน้ำทวนกระแสนี่มันยากกว่าว่ายน้ำตามกระแสกระแสที่เราต้องทวนก็คือสักกระแสของความโลภของความโกรธของความหลงนี่กระแสนี่มันมีอยู่ในใจของเรา เป็นกระแสที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องว่ว้ทวนกระแสของความโลภของความโรกรธและความหลงเราต้องยอมรับว่าต้องยากต้องลำบากต้องเหนื่อยไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ถ้าเราสู้เราว่าย เราก็จะไปได้เพราะมีผู้ที่สู้และที่ได้ไหว้ทวนกระแสมาแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วพวกเราก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันถ้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาเผยแะสั่งสอให้แก่พวกเราแต่เนื่องจากทรงเห็นว่าพวกเรา มีความสามารถที่จะทำได้ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและก็ปรากฏมีผู้มีศรัทธามีความเชื่อได้ปฏิบัติตามและได้บรรลุถึงเป้าหมายที่พระเจา้าส่งชี้ให้ไปได้ดังนั้นพวกเราอย่าหาเหตุหาผลมาอ้า เพื่อทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติกันอย่ามาอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเรามีครอบครัวเป็นผู้ชายมีครอบครัวมีนั่นมีนี่น้องทำความจริงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะมากีดกั้นความทางเราได้เราสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานภาพเพราะเราเริ่มต้นจากน้อยไปหามาก ังนั้นเราต้องมาศึกษาความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันซึ่งมีอยู่เจข้อด้วยกันคือ 1. รู้เหตุ 2. องรู้ผลสรู้ตน 4. รู้บุคคล 5. รู้สังคม 6. รู้กาลเทศะและ 7. รู้ประมาณนี่คือความรู้ ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความรู้ที่จะนำความสุขมาให้แก่เราดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องความรู้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกันคือรู้เหตุและรู้ผล เพราะว่าผลนี้เกิดจากเหตุเหตุทําให้เกิดผลถ้าเราต้องการผลคือความสุขต้องการผลคือความหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมานั่นเองเราจึงต้องรู้เหตุ ที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากันเหตุนี้ก็มีหลายแบบหลายรูปเหตุที่ไม่สำคัญเหตุที่ไม่ต้องรู้ก็มีเหตุที่ต้องรู้ก็มีเหตุที่ไม่ต้องรู้ก็คือว่าผ้าทิชขึ้นผ้าทิชตกได้อย่างไรฝนตกแดดออกได้อย่างไรความรู้เหล่านี้ไม่เป็นไม่ไม่สำคัญ รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจเราได้ไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความทุกข์ภายในใจของเราให้มากขึ้นไปได้ดังนั้นความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ขอให้รู้ความความรู้ที่จะดับความทุกข์และทําให้เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจ เหตุที่จะทำให้เกิดความสุขและดับความทุกข์ภายในใจหรือสร้างความทุกข์ละดับความสุขภายในใจก็คือการกระทำของเหานี้เองที่มีอยู่สามทางด้วยกันทำทางกายทางวาจาละทางใจทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามนโนกรรม ถ้ามีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจแล้วผลคือความสุขใจความทุกข์ใจหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรเช่นเราทำบุญผลก็คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นถ้าเราทำบาปผลก็คือความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้น ถ้าเราทาที่ไม่ใช่เป็นบุญที่ไม่ใช่เป็นบาปความสุขใจก็ไม่เกิดความทุกข์ใจก็ไม่เกิดดังนั้นเราต้องมาดูว่าการกระทาอันใดที่ทำให้เกิดความสุขใจอันใดที่เป็นการกระทาให้เกิดความทุกข์ใจ เ, เราก็จะได้ไม่ไปทำทำแต่การกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขใจ การกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือการทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเมิตรความเกียดคราการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา การกระทำที่จะทําให้เกิดความสุขมีอะไรก็คือการทําความดีต่างๆเช่นการเสียสละบริจาคความสุขบริจาคประโยชน์ที่เรามีให้แก่ผู้อื่นเช่นบริจาคทรัพย์ข้าวของเงินทองอย่างที่ญาติโยมได้มาทํากันในวันนี้เป็นการทําความดีทําให้ใจมีความสุข เราเอาบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จับเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาบริจาคมาแบ่งปันให้กับพระภิกษุสามเณรแบ่งปันความสุขแบ่งปันประโยชน์นอกจากพระภิกษุสามเณรแล้ว จะเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็ได้ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชก็ได้หรือนักบวชเช่นแม่ชีก็ได้หรือใครก็ได้ที่เราเห็นว่าเขาควรจะได้รับเราก็แบ่งปันให้กับเขาไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ความสุขแก่ผู้แล้วเราจะได้ความสุขใจกลับมา นอกจากการให้การแบ่งปันแล้วเรายังสามารถหาความสุขได้จากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเวลาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมใจของเราจะได้ความรู้ความรู้ที่จะมาดับความหิวความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปพอความหิวความอยากเบาบางลงไปความสุขใจความอิ่มใจ ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าเรานาเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาทำเราก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นความรู้ที่พูะเจ้าทรงสอนให้เราทำกันอยู่เรื่อยๆเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขและดับความทุกข์ได้อย่างมากอย่างมากมายก็คือการภาวนาการทำใจให้สงบ การทำใจให้ฉลาดาะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมากนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขอยู่ในตัวเราแล้วแต่ตอนนี้ความสุขที่มีอยู่ในใจของเราถูกความทุกมาบดบังเอาไว้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี่เอง แต่เวลาที่เราทำใจให้สงบความอยากก็จะสุบลงไปพอความอยากสงบตัวลงไปความสุขที่มีอยู่ในใจของเราก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ความสุขนี้แล้วเราอยากจะรักษาความสุขนี้ให้อยู่กับเราต่อไปเราก็ต้องคอยสรรจสอนใจไว้อยู่เรื่อย ว่าอยากไปอยากมีอยากได้อยากอะไรทั้งนั้นเพราะความอยากจะมาทำลายความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรอยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไรเราก็ต้องสอนใจว่าอยา่าอยากถ้าเราสอนใจแล้วเราเห็นโทษของความอยากเราก็จะไม่อยากเราก็จะฝืนความอยากได้ ไม่ทำตามความอยากรดพอไม่ทำตามความอยากแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปเช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุราเราก็ไม่ทำตามฝืนไว้ฝืนไปเดี๋ยวยวแล้วเดี๋ยวความอยากก็จะหายไปหมดไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากดื่มสุราใจก็จะไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องไปหาสุรามาดื่ม นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดอยากจะไปเที่ยวถ้าฝืนใจไม่ไปเที่ยวทนอยู่บ้านไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปเดี๋ยวก็หายอยากเองอยากจะไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งๆ ท, ที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้ว ก็ฝืนไปอย่าไปทำตามให้ใช้เหตุใช้ผลของเก่ายังมีอยู่ยังใช้ได้ก็ไม่ต้องซื้อมาเพราะซื้อมาก็ต้องเสียเงินเสียทองไปใช้เงินก็ต้องไปหาเงินหาทองก็จะต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินแล้วก็จะไม่มีเวลาที่มาจะมาภาวนาทําใจให้สงบ ถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะฝืนความอยากต่างๆได้ความอยากที่เราไม่ฝืนก็คือความอยากที่จำเป็นเช่นถึงเวลารับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารก็รับประทานถึงเวลาต้องดืนน่มน้าก็ดื่มถึงเวลาต้องรับประทานยาก็รับประทานยาถึงเวลาต้องอาบน้าก็อาบน ถึงเวลาต้องทํากิจที่จะต้องทําก็ต้องทําเช่นถึงเวลาที่จะกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าก็ต้องทําความอยากเหล่านี้ไม่เป็นไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ความอยากถึงเวลามาวัดต้องมาทําบุญก็มาถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งถึงเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟัง พยายามทำตามความอยากตามเวลาอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นโทษไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี่คือเหตุที่เราต้องพยายามทากันให้มากก็คือทำความดีแล้วก็ละบาปอย่าทำบาปอย่าทำผิดศีลผิดธรรมเพราะการทำผิดศีลผิดธรรม จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะทำให้ความสุขใจหายไปนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลรู้ว่าผลที่เราอยากได้คือความสุขความความดับทุกข์เกิดจากการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราอยากจะดับทุกข์อยากจะมีความสุข เราก็ต้องคิดดีพูดดีทดําดีเราก็ต้องภาวนาทําใจให้สงบนี่คือรู้เหตุและรู้ผลรู้ตนก็คือต้องรู้ว่าตัวเราอยู่ในสถานภาพใดเช่นเราเป็นหญิงหรือเป็นชายชเป็นหญิงก็ต้องทําตัวอย่างหนึง่งเป็นชายก็ต้องทําตัวอย่างหนึง่งเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ติดตามต้องรู้จักฐานะของเราเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องก็เกิดความเสียหายได้เช่นรู้ว่าเราเป็นพระหรือเป็นค า, าวา่าถ้าเราเป็นพระเราก็ต้องอยู่แบบพระไม่อยู่แบบคาลาวา่า ถ้าถ้าเป็นพระแล้วไปอยู่แบบคาลว่าก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นตอนนี้ท่านคงจะได้ข่าวขาวกันว่าเป็นพระแต่อยู่แบบคาลาว่ามีใช้เครื่องใช้ต่างๆแบบคาลาว่าใช้เครื่องบินใช้รถเก๋งใช้ข้าวของอะไรต่างๆอย่างที่คาลาว่าเขาใช้กัน พอใช้แล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาถูกตำเนิติเตียนเพราะว่าไม่เหมาะสมกับเพศของตนนั้นเองเป็นพระก็ต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ใช่อยู่แบบฟุ้งเฟ้อเหิเห ở, อยู่แบบรู้ราแบบคารวาดยากอยู่นี่คือตัวอย่างของการรู้ตนเราต้องรู้ฐานะของเรา ล้วอยู่ตามฐานะของเราไปเราจะไม่มีปัญหาตามมาส่วนการรู้บุคคลก็ต้องรู้ว่าบุคคลอื่นเขาเป็นใครเขามีฐานะสูงต่ำกับเราอย่างไรเช่นรู้พ่อรู้แม่พ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่มีความมีพระอขุดกับเราอย่างมากหน้าที่ของเราต่อพ่อแม่ก็คือ ต้องมีความเคารพนับถือต้องมีความเกรงอกเกรงใจต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดสำหรับพวกเราเราไม่ควรลืมบุญคุณของพ่อแม่และเราต้องไม่ละลาบละลวงพ่อแม่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนดุ่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ นอกจากว่าถ้าพ่อแม่ถามก็บอกได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ถามไม่ใช่ฐานะของเราที่เป็นลูกที่จะไปสั่งสอนไปว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่นอกจากเราออกอุบายได้คือเราอาจจะพูดแบบไม่ตรงตรงเช่นเราอาจจะเล่าเรื่องของคนอื่นให้เขาฟังที่เป็นเหมือนเรื่องของเขาอย่างนี้ ก็ได้ถ้าเรามีโอกาสแต่ถ้าเราไม่มีโอกาส <c oughs> ก็ไม่ควรที่จะไปสั่งสอนพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนลูกๆลูกๆมีหน้าที่เชื่อฟังพ่อแม่นี่คือการรู้บุคคลต้องรู้ว่าบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขามีฐานะภาพอย่างไร สูงกว่าเราเท่าเราหรือต่ำกว่าเราเราควรปฏิบัติบุกับบุคคลต่างๆให้เหมาะสมกับฐานะของเขาแล้วเราจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาถ้าเราไม่เครารพพ่อแม่ไม่มีความกระตันยืดุลาพ่อแม่ตบตีพ่อแม่อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจ จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีใครอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือแต่ถ้าเราเป็นคนมีความกตัญญูมีสัมมาคารวะตอบิดามารดาจะมีคนเขาชื่นชนมยินดียกย่องสรรเสริญและสนับสนุนช่วยเหลือเรา นี่คือการรู้บุคคลต่างๆข้อที่ห้าก็คือการรู้สังคมการรู้สังคมก็คือให้รู้กฎระเบียบประเพณีที่ดีงามของสังคมเราอยู่สังคมมนุษย์เราก็ต้องรู้จักกฎกติกาของมนุษย์เราไม่ได้อยู่สังคมของเดรัจฉาน สังคมเดรัจฉานกับสังคมมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันสังคมของเดรัจฉานนี้ไม่มีศีลธรรมเดรัจฉานนี้เขาไม่เขาไม่รักษาศีลห้าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตวัวเอนีเขาอ่าวแบบไม่รู้จักเวลามเวลาเป็นมนุษย์นี้ต้องรู้จักกฎของมนุษย์ การจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบจะต้องมีศีลห้าเป็นคุณสมบัติของตนต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ต, ตวัวแหนีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสายา마าถ้าทำผิดศีลแล้วก็จะต้องถูกกัก บ, บริเวณต้องถูกแยกออกจากสังคมเช่นคุกตารางนี้ เป็นที่กัก บ, บริเวณของผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ที่ไปท่าสัตว์ไปท่ามนุษย์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัวเวรีไปโกหกดอกรวงก็จะต้องถูกสังคมจับไปกักไว้อีกที่หนึ่งคือกักไว้ในคุกในตารางแล้วถ้าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมก็จะถูก ประหารชีวิตเลยนี่คือการเพราะว่าไม่รู้จักสังคมนั่นเองไม่รู้จักกฎกติการะเบียบต่างๆของสังคมอันนี้เป็นสังคมใหญ่แต่นอกจากสังคมใหญ่แล้วเรายังมีสังคมย่อยอีกสังคมในบ้านสังคมที่ทำงานสังคมที่โรงเรียน ส, สังคมมีหลายชนิดด้วยกันเวลาเราเข้าโรงเรียนเราก็ต้องเคารพกฎของโรงเรียนเวลาอยู่บ้านเราก็ต้องเคารพกฎของบ้านเวลาเรามาวัดเราก็ต้องมาเคารพกฎของวัดไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจตามความอยากของเราดังนั้นเราต้องมศึกษากฎกติกาของสังคมที่เรา เข้าไปอยู่ด้วยถ้าเราศึกษาเราจะได้ไม่กระทำผิดกฎกติกาเราก็จะไม่เป็นที่รังเกียจเราก็จะอยู่กับสังคมนั้นได้ถ้าเราผิดกฎทำผิดกฎกติกาของสังคมเราก็จะถูกขับออกจากสังคมนั้นนี่คือเรื่องการรู้สังคมข้อที่หกคือการรู้ รู้กาละเทสะกาละเทสะก็ค่อยรู้จากการละสถานที่ที่เราอยู่ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรเช่นตอนนี้เรากำลังฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันเราก็ไม่ควรทำอะไรอย่างอื่นเช่นไม่ควรทํานั่นทนํานี่ไม่ควรพูดคุยกันเราควรที่จะตั้งอยู่ใน ไอเดียบที่สงบสำรวมกายวาจาใจกายก็ไม่ทำอะไรนั่งนิ่งๆเฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจดจ่ออยู่กับการฟังและคิดพิจารากับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราฟังแบบนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังธรรมก็มีอยู่5ประการเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นใจก็จะเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องใจก็จะมีความสงบมีความผ่องใส และจะกาจัดความสงสัยต่างๆไปได้นี่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบเช่นฟังไปก็เตรียมทำกับเตรียมจัดของเตรียมเอาของมาถวายพระหรือฟังไปแล้วก็คุยกันหรือฟังไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฟังแบบนี้เราเรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแก่ คือจะไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ได้รับประโยชน์ทั้ง5ประการที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมดังนั้นเราต้องรู้จักการราบเทใะเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราต้องรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ใช่ไปอยู่ในสถานที่เขาร้องลําทำเพลงแล้วก็มานั่งหลับตา ทำใจทากายวาจาใจให้สงบ อ, อย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่เป็นการรู้จักสถานที่สถานบันเทิงเขาร้องลําทําเพลงกันเราก็ต้องไปร้องลําทําเพลงกับเขาไม่ใช่ไปนั่งร้องโหยร้องไห้ส่วนสถานที่ชาปนากิจงานศพเราก็ไม่ควรไปร้องลําทําเพลงเราควรที่จะทําใจทํา แสดงความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนี่คือการรู้จักกาลเทศะรู้จักกระทาตนเองให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อสุดท้ายก็คือการรู้จักประมาณก็คือให้เรารู้จักความพอดีในสิ่งที่เราบริโภคใช้สอยก็คือปัจจัยสี่ เช่นอาหารที่อยู่อาศัยอยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีน้อยเกินไปก็เกิดโทษได้ต้องมีพอดีรับประทานอาหารมากเกินไปก็เกิดโทษรับประทานน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ที่อยู่อาศัยก็ให้มีพอดีกับฐานะของเรา เรามีเงินน้อยก็เช่าบ้านไปก่อนมีเงินมากค่อยซื้อบ้านอย่าไปอยากมีบ้านถ้าเราไม่มีกำลังที่จะซื้อได้อย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเพราะจะทำให้เป็นภาระกับทางจิตใจไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านตายไปก็เอาไปไม่ได้มีบ้านไว้สำหรับอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีบสซื้อบ้านไม่ได้ก็เช่าบ้านอยู่ก็ได้ ไม่มีไม่มีเงินซื้อบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ก็อยู่ตามใต้สะพานก็ได้ขอทานเขาก็อยู่กันได้อยู่ตามวัดก็ได้ดังนั้นอย่าอย่าทำอะไรเกินความพอดีเกินฐ า, า, านะของเราจะทําทให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าไม่ได้ทําให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นเช่นมีเสื้อผ้าล้นตู้มีห้าตู้สิบตู้ก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น คนมีเสื้อผ้าสองสามชุดกับคนมีเสื้อผ้าสิบตู้มันก็มีความสุขเท่ากันเพราะความเสื้อผ้าก็มีไว้เพียงปกปิดร่างกายรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองนี่คือการรู้จักประมาณรู้จักความพอดีอย่ามีมากเกินไปอย่ามีน้อยเกินไปแล้วชีวิตของเราจะไม่ต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆที่ไม่จาเป็นมา ให้เสียเวลาไปเปล่าป่ า, ปาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไปเปล่าป่ า, ปาไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือความรู้ที่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเรารู้กันขอให้เราศึกษากันให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราล้ลมลองได้ว่าความทุกข์ภายในใจของเราจะน้อยลงไป ความสุขของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นจนมีเต็มที่อยู่ภายในหัวใจของเราจึงขอฝากเรื่องความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ